จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชัน้นตรีแล้วก็ขึ้นในจตุกะคือหมวดที่สี่สืบต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็จะได้บรรยายในหัวข้อว่าวุธธิธรรมคำว่าวุตธิธรรมก็คือทรรมเป็นเครื่องจเจริญมีสี่อย่างนะมีสี่อย่างก็หมายความว่า คนเราทุกคนนั้นถ้าหากว่ามีวุฒิธรรมแล้วทุกคนก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองฉะนั้นทำสี่อย่างนี่มีอะไรหนึ่งสัพปริสู ป, ปสังเสวะคบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเรียกว่าสัตบุรุษนะเรียกว่าสัตบุรุษสองสัทธธรรมมัสสวนะฟังคำสั่งสอนของท่านโดยเคารพสามโยนิโสมนสิการ ตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบ 4. รรมานุธรรมะปฏิบัติประพฤติธรรมสมควรแกรร่ทมซึ่งได้ตริตรองเห็นแล้วทั้ง4ข้อนี้เรียกว่าวุธิธรรมธรรมเป็นเครื่องเจริญท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาจะขยายให้กว้างออกไป แต่ละข้อละข้ออันดับแรกขอให้ท่านมาทําความเข้าใจกับคําว่าสัตว์ปรุษเสียก่อนนะสัตว์ปรุษเสียก่อนเพราะในข้อแรกที่บอกว่าสัปปุริสูปสังเสวะอันนี้มันยังเป็นหลักของภาษาพระภาษาบาลีนะภาษาบาลีอนะก็มีอยู่สองศัพท์ด้วยกันก็คือว่าศัพท์ของคาว่าสัปปุริสัง อ่ากับอุปสรรคอ่ากับอุปสรรคเสวะตัวนี้แปลว่าการเข้าไปคบสัตว์บุรุษนั่นเองทีนี้เราทําความเข้าใจว่าสัตว์บุรุษคือใครในที่นี้ท่านประสงค์เอาบุคคลผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนะคนที่ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนี่แหละเรียกว่าสัตว์บุรุษแต่ในบางแห่งท่านก็ประสงค์เอาบุคคลผู้มีกายวาจาใจสงบระงับ สงบเลยครับเรียกว่าสัตบุรุษหรือบางที่ก็บอกว่าผู้ประกอบไปด้วยสัพปริสธรรมคือธรรมของสัตบุรุษเจ็ดประการตั้งแต่รู้จักเพรศู้จักผลรู้จกักตนรู้จกัจกประมาณรู้จักการรู้จักประชงชนรู้จักเลือกคบบุคคลอะไรเหล่านี้แหละเรียกว่าสัพปริสธรรมคือเป็นธรรมของสัตบุรุษว่าคนจะเป็นสัตบุรุษนั้นต้องมีคุณธรรมเจ็ดอย่าง อหรือบางที่ก็ยังบอกว่าคนจะเป็นสัตว์ปุรุษนั้นก็จะต้องอตั้งอยู่ในธรรมสองประการก็คือความกระตันยูกระตะเวทีนะความกรตันยูกระตะเวทีออันนี้แหละที่ว่าเป็นธรรมของคนดีนะเป็นธรรมของคนดีว่าเป็นสัตว์ปุรุนนะว่าเป็นสัตวุรุนแต่จะอย่างไรก็ตามบุคคลอันจะได้นามว่าสัตว์ปุรุษนั้นต้องเป็นคนดีนะ แม้แต่สัตว์ก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าบุรุษดีหรือคนดีคำว่าคนดีนั้นก็คือคนไม่ชั่วคนไม่เลวกล่าวคือไม่ประพฤติความชั่วความเสียหายเป็นผู้ประพฤติแต่ความดีประพฤติชอบบุคคลจำพวกนี้แหละเรียกว่าสัตบุรุษนะสัตบุรุษทีนี้เมื่อเราทราบคำว่าสัตบุรุษอย่างนีน้ก็จะทำให้เราเข้าใจความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ว่าสัตวุรุตพูดง่ายๆคือคนฉลาดนั่นเองคนมีศีลมีธรรมนะคนมีศีลมีธรรมบางทีก็เรามาเรียกว่าเป็นนักปราดเรียกว่าเป็นพวกเมธีอนะ่าหรือเรียกว่าเป็นบัณฑิตนะพวกนี้ จ, จัดอยู่ในประเภทสัตวปุรุษทั้งนั้นนะที่นี้เราก็ต้องมาตีความหมายข้อที่บอกว่าครบนะนะครบอุปสัรคเสวะตัวนี้แหละนะแปลว่าครบคือคําว่าครบในที่นี้ก็ ขอให้ผู้ฟังได้พึงทราบว่าไม่ใช่คบกันในฐานะเป็นเพื่อนฝูงนะไม่ใช่คบกันในฐานะเป็นเพื่อนฝูงแต่ว่าประสงค์เอาว่าการครบกันเป็นไปในฐานะครูเป็นครูเป็นอาจารย์อันควรเคารพนบนอบบูชากลับไหว่นี่นะอันควรเคารพนบนอบบูชากลับไหว่ฉะนั้นการที่เราได้คบสัตว์บรุท ธ, ธได้ได้ฟังธรรมของสัตว์บรุษได้ อยู่กับสับุรุษนั้นถือว่าเป็นบุญนะเป็นลาภของเราเป็นโชคดีของเรานะนี่ถือว่ า, เ, าเราได้คบกับคนดีคนโบราณจึงบอกว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวนะคบคนชั่วก็พาตัวอับป ร, รา ช, ชัยนะเห็นไหมอันนี้มันชี้ชัดอยู่เลยว่าคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัวเป็นบุญเป็นมงคลเป็นความสงา่า แก่ตัวเราครบคนชั่วก็พาตัวอับปราชัยนีอันนี้ก็ชัดเลยฉะนั้นการครบจึงบอกว่าคบในฐานะที่ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อเราคบในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์อันควรแก่การเคารพนบนอมกราบไหว้บูชาประการต่อมาก็คือว่าเราต้องฟังคําสั่งสอนของท่านโดยความเคารพก็คือตั้งใจฟัง ในขณะที่ฟังอยู่ก็คือไม่ส่งใจให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนะคอยประคับประคองให้ดำเนินไปตามกระแสความอยู่เท่านั้นเองอย่างนี้แหละชื่อว่าฟังโดยเคารพเมื่อเราฟังท่านโดยเคารพแล้วก็มีข้อต่อไปบ อ, บนะอนน ก, ออออกนะว่าตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วโดยอุบายที่ชอบนะอันนี้ก็คือในข้อที่สมันต่อเนื่องกันนะว่าตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วโดยอุบายที่ชอบ อันนี้ก็หมายความว่าให้เราตริตรองตรึกนึกคิดนะใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบเมื่อได้ฟังคาสั่งสอนแล้วก็ตริตรองประกอบด้วยองคศีประการนะประกอบด้วยองคศีประการก็คือว่ามันเหมือนกับว่าหลักที่จะให้เกิดปัญญาที่ว่าสุจิปุลินั่นเองนะสุก็คือตั้งใจฟังจิก็คือ ฟังแล้วก็เอามาคิดคิดแล้วก็ต้องถ้าสงสัยก็นึกตัดสินใจไม่ได้ก็ถามเมื่อถามแล้วก็บันทึกก็จดเอาไว้นะอันนี้แหละก็คือว่าเป็นหลักหลักของความเป็นนักปราชญ์หลักของนักเรียนนักศึกษานะหลักของนักเรียนนักศึกษาฉะนั้นเมื่อเราได้ตรีตรองนะตรีตรองให้รู้จักดีรู้จักชั่วโดยวิธีที่ชอบแล้วแน่นอนที่สุด ก็ควรเอาธรรมะข้อนั้นมาเป็นเครื่องแนะนําตนไว้นะทําเอาธรรมะข้อนั้นมาเป็นเครื่องแนะนําตนไว้ก็คือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ก็พูดกล่าวเป็นการเบิกทางไว้ก่อนนะเบิกทางไว้ทีนี้ก็จะมาขยายนะจะมาขยายในข้อแรกที่บอกว่าการคบสัตบุรุษคือคนที่ประพฤตชอบด้วยกายวาจาใจ ให้คำว่าประพฤติชอบนี่ก็แทบจะเรียกว่าไม่ต้องขยายกันมากนะไม่ต้องขยายกันมากประคนประพฤติชอบก็คือคนประพฤติดีประพฤติถูกประพฤติไม่ผิดนะแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติก็คือไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อื่นว่างนั้นเถอนะนี่คือคนที่ประพฤติดีเพื่อนคนที่ประพฤติชอบคือทั้งทางกายทางวาจาทางใจนะถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่า สุจริตสามนั่นเองนะกายสุจริตวจียยสุจริตมโนสุจริตนี่ละเว้นจากทุจริตทั้งหมดเลยนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าสัตว์บุษเมื่อเราครบคบสัตว์บุตรแล้วแน่นอนที่สุดเราต้องเราต้องได้ดีนะต้องได้ดีบอกไปแล้วว่าคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวอัปปราชัย พระพุทธองค์ท่านเนี่ยตัดถึงเรื่องมงคน ล, ลสูตรนะท่านขึ้นไว้เลยข้อแรกเลยว่าอสเสวนาจะภาลานังปันนิตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคัลมุตตัมมังนะการไม่คบคนผานนะการครบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่ท่านขึ้นไว้เลยขึ้นต้นเขาบอกอสเสวนาก็คือว่าการไม่เข้าไปคบไปเสพพวกคนผาน น, ะนี่ฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายข้อนี้มีมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการดำรงชีวิตของผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างมากเพราะคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราเกิดมาเราก็ต้องมีพ่อมีแม่เราต้องมีพี่มีน้องแม้เราจะมีคนเดียวเป็นลูกคนเดียวเป็นลูกเราก็ต้องมีเพื่อนนะ มีมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนที่โรงเรียนมีเพื่อนเป็นนักศึกษามีเพื่อนที่ทำงานนี่เห็นไหมคนที่สุดสรุปแล้วก็คือว่าเรามีเพื่อนกินเพื่อนใช้เพื่อนตายมีครบเลยนะมีครบเลยแต่ว่าเพื่อนของเรานั้นการครบกันนั้นเราต้องเลือกนะต้องพิจารณาอันนี้เราเราขาดความสนใจนะขาดความสนใจเรามักบางทีก็ เลือกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เลือกอย่างนี้ไม่ได้เลือกเอาคนดีประพฤติ ช, ชอบโดยคายวาจาใจเราไปเลือกเอาว่าเขาสวยไหมเขาหล่อไหมเขารวยไหมนี่เขามียศถาบรรดาศักดิ์ไหมนี่เรามักจะไปคิดเอาอย่างนี้แน่นอนที่สุดถ้าคนที่คิดหวังกันครบเกี่ยวกับ เ, เรื่องคำหนึงถึงยศศักดิ์คำหนึงถึง เ, เงินทองแล้วก็จะคบกันไม่ได้นานนะ เราจะคบกันไม่ได้นานฉะนั้นถ้าเราจะคบกันนั้นไซเราจะต้องไม่คำนึงถึงฐานะว่าเขาจะมีหรือจะจนจะสวยหรือไม่สวยจะหลอ่อหรือไม่หลอ่อแต่เขาเป็นคนดีประพฤติชอบโดยกายวิจัยเราครบได้นี่แหละคือเป็นมาตรฐานที่ดีในการครบคนนะในการครบคนแต่ว่าเราไม่ได้เลือกกันอย่างนั้นนะบางครั้งทงั้งทงที่เขาเป็นคนดีแต่ว่าเขารูปร่างไม่สวยไม่หลอ่อ แล้วเขาไม่รวยเราไม่อยากคบนี่ขอให้ท่านลองถามใจท่านดูถามใจท่านดูฉะนั้นคนอย่างนี้แหละเราขวนครบและบางทีเรากลับไปประนามคนอย่างนี้เลยทําให้เขานั้นหมดโอกาสที่จะขึ้นสูงต่อไปเพราะอะไรเพราะเขาก็ยังไม่ใช่เป็นคนหมดกิเลสเพราะเขาถูกประนามเข้าสังคมประนามเข้าก็ทีแรกเขาก็อดทนได้แต่พอบ่อยๆเข้าเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเอียงๆไปก็เรียกว่าขันติก็เป็นขันแต่ทนไม่ได้ อาจจะเป็นคนเลวไปเลยก็ได้อาจจะเป็นคนใจดำเอามาหิตไเลยก็ได้หรือว่าคิดผิดไปเลยจากที่ประพฤติชอบก็เลยประพฤติชั่วไปเลยฉะนั้นนี่แหละจึงมีคํากลอนบทหนึ่งไว้ว่าคนจะดีบางทีก็เพราะเพื่อนช่วยตักเตือนเงื่อนงำตามวิสัยแต่บางทีเพื่อนนี้ก็เป็นภยัยเป็นปัจจัยให้เราต้องเผาเรือนนี่ ก่าเพื่อนดีก็มีเพื่อนชั่วก็มีฉะนั้นเราบอกว่าคบคนพาลท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับใบไม้ที่ห่อปลารา้นะกลิ่นของปลารามันก็ติดใบไม้ไปด้วยนี่นะคนเหมือนกันคบคนพาลไอ้ลิสัยของความเป็นพาลก็ย่อมจะติดไปด้วยนี่แต่จะติดน้อยติดมากนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแค่นั้นยังไม่พอ เราไปคอบคนผ่านเขาคนอื่นใครพบเห็นเขา้าเขาก็หาว่าเราเป็นพวกคนผ่านนี่เห็นไหมทั้งๆที่ว่าเราอาจจะยังไม่ทันเป็นก็ได้แต่เขาก็หาว่าเราเป็นพวกกันเพราะเราได้ไปเที่ยวด้วยกันไปนอนด้วยกันไปไหนมาด้วยกันนี่ก็กลายเป็นพวกคนผ่านไอ้คําว่าผ่านเนีย่ยแปลว่าผู้อ่อนอ่อนเหตุอ่อนผลอ่อนสติอ่อนปัญญาเหมือนกับเด็กอ่อนอ่อนไม่รู้ดีรู้ชั่วถ้าเติมอันอันทะมาอีกตัวนึงว่าอันทะผ่าน อันทะนี่แปลว่ามืดแปลว่าบอดนะมัวไม่เห็นไม่รู้จริงอันทะพานก็คือว่าทั้งมืดทั้งบอดทั้งอ่อนเลยแม่นึ่งหนักเลยฉะนั้นคนไหนที่ได้ชี้ว่าเป็นอันทะพานแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นคําที่ขอประทานโทษด่าที่รุนแรงมากนะด่ารุนแรงมากถือว่าโง่เ ง, ง่าเตาตนเลยว่างนั้นเถอะฉะนั้นอันนี้แหละขอให้เราทุกคนจงพิจารณาว่า ถ้าเราครบคนผ่านคบคนชั่วนะครบคนไม่ดีไม่นิสัยไม่ดีนิสัยชั่วก็จะติดตัวเราไปทางกายทางวั จ, จาะและทางใจไม่มากก็น้อยนะคบมากก็ติดมากคบน้อยก็ติดน้อยถึงแม้ว่าจะติดหรือไม่ติดก็เราก็จะได้ชอวาเป็นพวกคนผ่านนะเหมือนกับใบไม้ที่ห่อพันตลาระก็ย่อมจะมีกลิ่นเหม็นคะคลุ้งไปด้วยนะทีนี้การที่เราครบคนดีนะคบคนดีคบสัตบุรุษ ก็เหมือนกับไม้ใบไม้ที่พันพวกอไม้ไม้จันท์หรือว่าไม้กฤษณาธรรมดาบรรดาดอกไม้หรือไม้ในโลกเนี่ยมันมีไม้ที่หอมอยู่สองอย่างก็คือไม้จันท์กับไม้กฤษณาเขาเรียกว่าตะคาระตะคาระจันทนังนะไม้กฤษณาและไม้จันท์แดงน่นะไม้จันรแดงที่เอามาทําพัดหรือเอามาทําเป็นปากกาอะไรที่เหลวเนี่ยกลิ่นหอมมาก สมัยก่อนเขาเอาเปลือกเอาดอกเอาใบเอาพวกต้นอะไรเนี่ยเอามาบ่มต่างให้มันหอมมาบ่มผ้านะบ่มผ้าหรืออบผ้าให้มีกลิ่นหอมเหมือนกับพวกน้ําหอมเดี๋ยวนี้นะฉะนั้นไม้สองอย่างนี้ถือว่ามีกลิ่นหอมมากฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าคนคบคนดีก็เหมือนกับว่าใบไม้ที่พันของหอมนะมันใบไม้นั้นก็หอมไปด้วยฉะนั้นเราครบสัตว์บุรุษคบคนดีคบนักบาน ไอ้ความเป็นปาดเป็นสัตว์รุดความรู้ดีรู้ชอบก็ทำให้เรานั้นติดตัวเราไปด้วยติดกายติดวาจาติดใจของเราไปด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ติดแต่ก็จะได้ช่อว่าเป็นพวกของคนดีเป็นพวกของบัณฑิตเป็นพวกของสัตว์หลุษนี่เห็นไหมชื่อเสียงของเราก็ย่อมดีไปด้วยอ่าชนะอันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราทุกคนควรจะ พิจารณาเกี่ยวกับการเลือกคบบุคคลนะเลือกคบบุคคลฉะนั้นในที่นี้จึงได้เจาะจงไปเลยว่าการาให้คบสัตบุรุษผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนะคบสัตบุรุษผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ <c oughs> เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็มีแต่ความเจริญเราก็จะมีแต่ความรู้มีแต่ความรุ่งเรืองนะมีแต่ความรุ่งเรือง บางคนถึงกับขนาดตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าเกิดชาติใดแสนใดยอย่าได้ให้พบคนพาลและถ้าพบคนพาลก็ขออย่าได้ไปนั่งใกล้คนพาลเมื่อเข้าไปนั่งใกล้คนพาลก็ขออย่าได้ไปฟังฟังธรรมจากคนพาลเลยนนี่ปรารถนาไว้ย่าขนาดหนักขอให้ไกลกับคนพาลเนี่ยเป็นยอดยดนะเป็นร้อยอยอดพันยอดนี่ฉะนั้นโบราณเราจึงบอกว่า เหล็กงูก้ยห่างวา่าเหล็กหมาก็ห่างศอกเหล็กวอกห่างแขนแต่ว่าเหล็กพวกอันดภา น, นี้ต้องห่างเป็นยศยดศเห็นไหมบางครั้งเนี่ยหนีข้ามประเทศไปแล้วมันกี่ร้อยกี่พันยดมันยังตามไปฆ่าไนดะ้เห็นไหมถึงกับเอามาสร้างเป็นภา พ, พยนตร์อนักฆ่าอาตามนักล่าสี่หมืนไม้นักฆ่าหนึ่งมืนไม่อะไรแล้ ว, แ, ลวแต่เนี่ยจึงจึงบอกว่าพวกอันดภา น, นี่ หรือว่ามีพิษมากฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยปรารถนาเป็นคนดีเมื่อเราปรารถนาเป็นคนดีเราก็ต้องคบคนดีเมื่อเราครบคนดีนอกจากเราจะได้ดีแล้วพ่อแม่พี่น้องของเราก็พลอยดีไปด้วยชื่อเสียงวงศ์ตระกรูลของเราก็พลอยดีไปด้วยนะใครเขารู้จักก็เออคนนี้มีเพื่อนดีนะอ่าเพื่อนเป็นคนดีทั้งนั้นเลยนะมีอาจารย์เป็นคนดีทั้งนั้นเลยนะมีครูเป็นคนดีทั้งนั้นเลยนะอ่าคนเราเมื่อได้ครูดีได้อาจารย์ดีแน่นอนที่สุด สิทธ์ก็ต้องได้ดีนะเพราะครูกับสิทธิ์นี้ต่างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะสิทธิ์จะดีเพราะมีครูช่วยชูเชิดนะสิทธิ์จะเลิศก็ได้ครูนั้นคอยชูชุบอุปธรรมนะเรียกว่าทั้งครูทั้งสิทธิ์นั้นจะต้องต่างช่วยซึ่งกันและกันนะอันนี้แหละจึงทําให้ต่างคนต่างเด่นต่างดีขึ้นได้นะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นพยายามควบคนดีนะ เมื่อเราครบคนดีได้คบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุตรแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสบายใจฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนที่จะบวชเนนบวชพระเนี่ยขอให้เลือกนะประการแรกก็คือว่าถ้าได้ครูอุปชาได้ได้อุปชาดีนะได้อุปชาดีได้อาจารย์ดีได้สำนักดีแม้จะเร น, นะจะเริญมั้แต่ถ้าได้อุปชาไม่ดี ครูไม่ดีสํานักดีก็ยังไม่ดีจริงนะก็ไปไม่รอดหรือว่าได้ครูได้วัชาดีได้อาจารย์ดีแต่ว่าสํานักไม่ดีอ่มันก็ยังพอทําเนาแต่ก็ยังไม่ดีเต็มที่ถ้าดีเต็มที่ต้องทั้งอุปชาดีทั้งอาจารย์ดีทั้งสํานักดีก็หมายถึงว่าวัดว่าอารามอย่างนี้แหละเรียกว่าจะสร้างาฐานะยกระดับจิตใจให้กับคนนั้นได้ย่่งมากนะได้ย่างมากเลยฉะนั้นขอให้เราเลือก นะเลือกดูให้ดีนะข้อนี้สำคัญเรียกว่าถ้าระบวชไปแล้วก็จะต้องไม่เสียใจภายหลังนะไม่เสียทีที่ได้บวชว่างันเถอนะไม่เสียทีที่ได้บวชเหมือนกับบางทีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาเหมือนกันดังนั้นะคนบางคนที่พอมีฐานะบ้างอะไรบ้างเขาก็จึงพยายามส่งลูกให้เรียนในที่ดีๆโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะเพื่อความเจริญก้าวหน้าของลูกเขา แต่นี้คนส่วนใหญ่ก็ยังยากยงจนอยู่ก็ต้องเรียนไปตามฐานะตามโรงเรียนวัดตามโรงเรียนบ้านก็ค่อยๆไปที่มันทุกๆน้อยอันนี้ก็ก็น่าเห็นใจแต่ว่าในเรื่องการเรียนนี้บางทีก็ไม่แน่เหมือนกันบางครั้งก็เด็กที่เก่งๆนั้นก็มาจากโรงเรียนอย่างนี้ก็มีเยอะนะอันนี้ก็มีเยอะบางครั้งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนั้นก็เวลาถึงคราวสอบจริงๆก็ไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้ กลับไปโรงเรียนที่คาดไม่ถึงกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็มีอันนี้มีตัวอย่างเยอะปีปีหนึ่งเราก็เลยรู้ได้ทราบกันอยู่เป็นประจำฉะนั้นนี่แหละก็จึงบอกว่าเป็นการที่เราทุกคนควรคํานึงควรคํานึงเมื่อเราเกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายว่าเราจะต้องคบกับใครอยู่กับใครยัยงการใช้ชีวิตคู่นะเราจะแต่งงานเป็นสามีเป็นภรรยากันเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะต้องเลือก การเลือกนั้นก็คือว่าขอให้เราเลือกเอาคนดีเลือกเอาคนดีเลือกเอาคนที่มีความจริงใจกับเรานมีความจริงใจกับเราคนที่เขาเขารักเราโดยที่ว่าไม่ได้เพราะว่าเราสวยหรือว่ารักเราเพราะเรารวยหรือว่ารักเราเพราะว่าอเรานั้นมีญาติพี่น้องมีตระกูลชื่อเสียงดีโด่งดังไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นความรักนั่นไม่ใช่เป็นความรักเพราะนั้น ความรักที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องเสียสละนะมีความจริงใจซึ่งกันและกันปรารถนาที่จะสร้างความสุขความจเจริญต่อกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็สบายใจนะสบายใจแต่ที่ทุกวันนี้ให้สังเกตดูท่านผู้ฟังทั้งหลายคู่สามีภรรยามักจะอยู่กันไม่ยืนยาวเข้าในลักษณะที่โบราณเขาว่าเรียกว่าหม้อข้าวยังไม่ทันจะดำนะทะเลาะกันแล้วแต่กันแล้ว เพราะเราไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกันให้ท่องแท้คนเดียวนี้รักกันง่ายนะรักกันง่ายพูดกันง่ายชวนกันง่ายรู้จักกันแค่ชั่วโมงเดียวแล้วชวนกันไปแล้วนะชวนกันไปแล้วบางทีก็ขอประทานโทษไม่มีโอกาสจะอยู่ถึงชั่วโมงนะห้านาทีสิบนาทีก็เรียกว่าเข้าใจกันนะแต่เงกหน้ายักคิ้วริวตากันดูเรื่องนี่แต่คนสมัยก่อนนั้นกว่าจะรักกันจะได้เป็นสามีภรรยากันนั้นจะต้องดูใจดูจิตดูใจกันไป ดูการทํางานกันไปเป็นปีนะบางทีตั้งสองปีสามปีก็มีนี่ฉะนั้นคนสมัยก่อนจึงไม่ค่อยมีโอกาสการแตกแยกอย่าร้างกันเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาคนโบราณจึงถือนักว่าทามีผัวผิดก็คิดจนตัวตายนะมีเมียผิดก็คิดจนเรือนทลายนี่ฉะนั้นก็ไม่ไหวฉะนั้นอันนี้แหละเราก็ต้องเลือกอีกเหมือนกันนี่ก็พูดขยายความให้กว้างออกไปจาก ในหลักสูตรที่ได้เรียนได้ศึกษานะให้กว้างออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านสาธุชนผู้จะได้ศึกษาค้นคว้าให้กว้างออกไปอีกฉะนั้นจะบอกว่าการเข้าคบสัตว์บุรุษนั้นจึงนับว่าเป็นโชคของเราแต่บางคนก็ดีตัวเองออกจากคนดีเพราะไปเรียกว่าไปประมาทตัวเองว่าตัวเองไม่ดีก็ไม่สามารถจะอยู่รวมกับคนดีได้นี่ฉะนั้นอันนี้มันก็มีเป็นส่วนจริง มีเป็นส่วนจริงแต่ว่าคนดีนั้นอใครที่จะกลับมาใครที่จะมาคบกับเขานั้นเขาไม่ได้รังเกียจนะแต่ขอให้มาคบแล้วก็ต้องทําตัวเป็นคนดนีอย่างนี้ใช้ได้นะอันนี้ก็อยู่ในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าสัพุริสูปสังเสวะคือการเข้าไปคบสัตว์บรุษผู้ประพฤติ ช, ชอบด้วยกายวาจาใจประการที่สองก็คือว่าสัตรธรรมัตสวนะ์คาว่าสัตรธรรมัตสวระก็คือว่า ฟังคําสั่งสอนของท no er ่านนะให้เราได้ฟ um ังค mm. ําสั่งสอนของท่านของข่ายก็คือของสัต์บุรุษนั่นเองนะของสัตว์บุรุษนั่นเองคือเราได้ฟังคําสั่งสอนของท่านนั้นเราต้องฟังด้วยความเคารพนะต้องฟังด้วยความเคารพการเคารพนั้นฟังยังไงก็คือตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังแต่เราส่วนมากสังเกตดูเราไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่ค่อยตั้งใจศึกษาไม่ค่อยตั้งใจฟังไอ้ผลประโยชน์มันก็ไม่เกิดขึ้นนะ ผลประโยชน์มันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นที่เราฟังเทศฟังธรรมก็ดีนี่แหละถ้าหากว่าเราตั้งใจฟังประโยชน์เกิดเกิดขึ้นมั้ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาที่ครูบาอาจารย์สอนเราจะได้เกิดประโยชน์ขึ้นมากแต่บางทีเราไปฟังกันเป็นพิธีนะเป็นพิธีฉะนั้นทําไมคนเราเนี่ยจึงเรียนพร้อมกันแล้วจึงสอบได้ไม่เท่ากันนะฟังเทศฟังธรรมพร้อมกันแล้วทําไมจึงจําได้ไม่เหมือนกันนี่แหละมันขึ้นอยู่กับว่าตั้งใจ มากน้อยแค่ไหนนะมีความเคารพในการฟังธรรมแค่ไหนนะบางทีขอประทานโทษอ่ะญาติโยมเนี่ยบางทีฟังธรรมก็ไม่ค่อยตั้งใจฟังฟังธรรมแล้วชอบคุยกันม่างนะคุยกันจังเลยบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรพอมารวมกันที่วัดแล้วก็กลายเอาวัดนี่เป็นที่ระบายความคับอกคับใจกันมาจากบ้านนะพอมาเจอกันแล้วคุยกันให้แซดไปเลยนี่อย่างนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะเลย เนี่ยเพราะพระเทศจบแล้วถ้าถามว่าวันนี้พระเทศเรื่องอะไรไม่รู้นี่ไม่รู้ไม่ทราบเป็นแต่อย่างนี้นะนี่ยิ่งไปกว่านั้นขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกดูมีการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์บ้านไหนอ่าสังเกตดกูคนที่จะตั้งใจฟังฟังพระสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ก็ยากนะยากนยฟังไปก็เป็นพิธีมือประนมแต่ว่าปากคุยกันอาบางทีก็ส่งเสียงเจียวจาเรียกว่า พระก็แทบหมดกําลังใจนะไม่รู้ว่าอญาติโยมสวดให้พระฟังหรือว่าพระสวดให้โยมฟังกันแน่นี่บางทีไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพว่าว่าใครเป็นพระกันแน่เลยนี่อย่างนี้ก็มีหรือบางทีให้ท่านสังเกตดูการสวดพระอวิธรรมหรือสวดสังฆาในงานศพต่างๆอันนี้ก็ยิ่งร้ายใหญ่เลยจะหาคนที่ตั้งใจฟังจริงๆไม่มี ประนมมือฟังพระสวดกุศาลาธรรมมากุศาลาธรรมมาปยากตาธรรมมาพอจบหนึ่งก็ยกมือหน่อยยอมรับว่าจบหนึ่งแล้วแล้วก็คุยต่อไปอีกนะพระท่านก็ขึ้นเอาอแล้วปันจากขันทาไปพอจบอีกบดก็ยกมือขึ้นยอมรับว่าจบสองบทแล้วอพอจบเจ็ดบทเอาถึงเวลากินข้าวต้มอีกแล้วไปายแล้วนี่เป็นอย่างนั้นนะ เ, เป็นอย่างนี้ท่านเป็นอย่างนี้ไหมท่านผู้ฟังตัวของท่านเป็นอย่างนี้ไหม ท่านไม่ได้ตั้งใจฟังให้มันเกิดความทราบซึ้งในรถที่พระสวดใช่ท่านอาจจะบอกว่าพรบก็พระสวดภาษาบาลีภาษาพะแล้วฟังไม่ออกจะรู้เรื่องอยังไงใช่คือการฟังเทศฟังธรรมนะมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งฟังเอาบุญฟังเอาบุญก็คือฟังด้วยใจศรัทธาฟังด้วยใจเลื่อมใสตั้งใจด้วยความเคารพนะถึงแม้จะไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ได้บุญ ได้บนตรงที่เร า, เราตั้งกาลยาณจิตไว้ดีราการที่สองฟังเอาปัญญาก็คือว่าฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วเข้าใจนะทีนี้ยังพระสวดอภิธรรมนะ่ะอันนี้ถ้าคนไม่ได้เรียนรู้อะไรก็อันนี้ก็เห็นใจว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจแต่ก็ได้บุญฉะนั้นจึงได้อตมาจึงได้รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสวดอภิธรรมว่า ที่วัดใดถ้ามีงานสวดพริธรรมแล้วก็ควรจะสวดเพียงจบเดียวแล้วก็มีการบรรยายบรรยายธรรมหรือจะแปลพิธรรมเจดบทแต่และบทตั้งแต่กุศลธรรมมาหมายความว่าอย่างไรปัญจขันธ์ธาหมายความว่าอย่างไรเกี่ยวยังบทแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องกุศลอกุศลแล้วก็อัพยาญาติบทที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องขันธ์หปัญจขันธ์ธาบทที่สาสังกขโฮทำบางอย่างสงเคราะห์ได้บางอย่างสงเคราะห์ไม่ได้บทที่4ี่ปัญญติโยเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติ หกประการบทที่ห้าปุโคโลนี่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติอเกี่ยวกับเรื่องสมมุติอืนั้นแล้วก็อบทที่หกก็คือเยเกจิกกุศลาเกี่ยวกับเรื่องอ่ากุศลนะเกี่ยวกับเรื่องกุศลแล้วก็บทสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยนะเหตุปัจปจโ ย, อ, อ, จโยอันนี้แหละถ้าว่าเราได้แปลแต่ละบทละบทแล้ว <c oughs> ก็จะ ก็จะทําให้เรานั้น <c oughs> มีความเข้าใจมีความเฉลียวฉลาดดียิ่งขึ้น <c oughs> ฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากอท่านผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดว่าถ้าหากว่าตำวัดวารามต่างๆได้มีการแปลให้ฟังหรือว่าบรรยายธรรมะให้ฟังแล้ว <c oughs> ก็จะทําให้เรา n ั้นเข้าใจแจ่มแจ้งเรียกว่าได้ทั้งบุญด้วยอได้ทั้งสติปัญญาด้วยนะแต่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีทางวัดนั้น ก็จะไม่ได้มีความรู้ทางนี้ร่วมมีแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากก็เลยไม่ทำํำฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าทําได้ก็จะเป็นประโยชน์กับญ า, าติโยมผู้ฟังเป็นอย่างมากอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดทั้งที่เป็นบรรพชิตหรือว่าคฤรพหัดก็ลองเอาไปพินิษพิจารณาดูฉะนั้นจึงบอกว่าการที่เราได้ฟังอะไรนั้นก็ขอให้เราตั้งใจฟังคนที่ไม่ตั้งใจฟังเขาเรียกว่า ฟ, ฟังไม่เป็นฟังไม่เป็นฟังยังไง ยกตัวอย่างให้ให้ญาติโยมฟังคือมีโยมคนหนึ่งแกไปฟังธรรมฟังเทศวันนั้นพระท่านเทศเรื่องพญาช้างฉัดทันพญาชัดทันมาพญาช้างชัดทันนี้ก็คือว่าเป็นช้างของพระเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งในจุติมาเป็นพญาช้างชัดทันพระท่านก็เทศอย่างไพเราะเพราะพลิงเลยบางที่ท่านก็แลเป็นทํานองบ้างญาติโยมก็ฟังแลแ้วแหมเพราะรู้สึกซาบซึ้งเติมใจเลือกเกินเนะ ฟังฟังไปก็หลับเลยนะทีแรกก็ประนมมืออยู่ที่อกพอนานนะเขาก็ตกไปอยู่ที่ตักนานนะเขาก็ผลักไปข้างหน้าหมอเป็นกบนะพอหมอเป็นกบแล้วก็เอาแล้วให้หวยแล้วจบพอดีเอวังก็มีบอกแม่พระคุณเจ้าเทพดีจังเลยนะกลับไปบ้านลูกสาวถามบอกว่าเป็นไงคุณแม่วันนี้พระท่านเทพดีไหมบอกแม่ดีจังเลยหนูอ่า ลูกสาวก็ถามวาพระท่านเทศเรื่องอะไรแม่ก็คิดอยู่นิดหน่อยแล้วก็อตอบว่าที่จริงพระท่านเทศเรื่องพยาช้างฉัดทันแต่คุณโยมนั่นหลับคุณแม่หลับไปก็เลยตอบว่าเหมือนว่าจะเป็นเรื่องช้างกัดกันแล้วมั้งนี่พระท่านเทศเรื่องพยาช้างฉัดทันฟังไม่เป็นฟังหลับก็เลยกลายเป็นเรื่องช้างกัดกันมนที่ไหนช้างกัดกันยังไม่เคยพบเคยเห็นอันนี้แหละจึงเป็นข้อที่น่า คิดพิจารณาว่าคนฟังไม่เป็นเป็นอย่างนี้หรือบางคนก็ฟังแล้วก็ตําหนินะตำหนิผู้เทศบ้างว่าผู้เทศนั้นไม่มีความรู้บ้างอ่านะยังเป็นยังเป็นเด็กบ้างอ่านะตัวเองนั้นคนวรจะฟังผู้ใหญ่เทศนะฟังเจ้าอาวาสฟังเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้อ่านะเป็นอย่างนั้นเลยตัวเองก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะพ่อมัวไปตําหนิรพระบ้างตําหนิธรรมบ้างหรือบางครั้งก็ตําหนิตัวเองว่าตัวเองไม่ต่ำเกินไป ไม่ควรจะมาฟังระดับนี้ขั้นนี้ก็เลยไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนฟังแล้วก็เกิดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ถือว่าฟังไม่เต็มฉะนั้นถ้าจะฟังทำให้เต็ม น, นั้นจะต้องฟังแล้วสามารถรู้เข้าใจในเรื่องที่ท่านเทศนะแล้วฟังแล้วสามารถที่จะบรรเทาความโลภความโกรธความหลงได้บรรเทาความทุกข์ได้อย่างนี้เรเรียกว่าคนฟังเป็มฉะนั้น การที่เราได้ฟังธรรมของสัตว์ผู้หลดนั้นก็คือว่าต้องตั้งใจฟังโดยความเคารพตั้งใจฟังโดยความเคารพเมื่อเราตั้งใจฟังโดยความเคารพแน่นอนที่สุดสติสัญญาก็จะเกิดคือว่าเราได้ทำจากของผู้รู้เราได้ทำจากนับกบุญเราได้ทำจากสัตว์ผู้หลไปก็ทําให้เรานั้นเกิดความภาคภูมิใจเกิดความรู้ดีเกิดความรู้ชอบคือรู้ถูกรู้ไม่ผิดมาก อันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมในะประเทศชาติเพื่อทําทให้คนทุกคนนั้นมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะนี่เป็นข้อที่สองทีนี้ในข้อที่สามที่บอกว่าโยนิโสมนัสิกานะโยนิโสมนัสิการกคนโคตรดูให้เรานั้นตรีตรองให้รู้ดีให้รู้ชั่วนะให้รู้จักตรีตรองให้รู้จักดีจักชั่วโดยอุบายที่ชอบนะ โยนนิโสมันานสถารที่โดยอุบายอันแยกคายที่ท่านพูดมานั้นส่วนใดดีก็รับเอาไว้ส่วนไม่ดีเรารู้แล้วเราทราบแล้วว่าอย่างนั้นไม่ดีก็อย่าเอาไปเอาแต่ส่วนที่ดีไปเอาแต่ส่วนที่ดีไปเอาแต่ส่วนที่เป็นกุศลธรรมกุศลธรรมไม่เอาเอาแต่ส่วนที่เป็นทุจริจท er ุจริตไม่เอาแต่ก็ให้เรารู้ไว้ว่าอะไรดีไม่ดีให้เรารู้ไว้อะไรดีไม่ดีนนเมื่อเรารู้อย่างนี้แน่นอนที่สุด ก็เท่ากับว่าเรานี้ได้ได้ได้รับรสธรรมจากสัตว์โดยษุจสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วะอะไรดีอะไรชั่วแต่ถ้าเรายังแยกแยะออกไม่ได้แน่นอนที่สุด ก, ก็เท่ากับว่าเราฟังแบบมั่วๆกันไป ฟ, ฟังแบบมั่วๆกันไป ไ, ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอันนี้มันก็มีนะคนเรานี่มันก็มีฉะนั้นก็ยังมีที่ พระพิปุท่านก็ได้ไปถามครูโตองว่าทําไมคนบางคนฟังเทศจึงจึงนอนหลับทําไมคนบางคนฟังเทศฟังธรรมก็ชอบหยิบโน่นหยิบนีน่มีอาการหยิบโน่นหยิหนนบนี่บางคนก็บางคนก็พูดคุยกันบางคนก็แง้มโดยทางลมทีทางนี้ทีบางคนก็ป า, า, า, า, ายปิงขึ้นกลดหมากรากไม้ ลุกไปโนอนลุกไปนี่นะมันเป็นช่องเหตุอะไรพระพุธองค์ก็บอกว่าคนที่ฟังเทศชอบหลับนะนะฟังเทศชอบหลับเนี่ยพวกนี้คือมาจากงูเหลือมแล้วก็จะตายไปเป็นงูเหลือมอีกเนี่ยชอบนอนหลับทับขันดเป็นวงกลมไปเลยนะไอ้คนที่ฟังเทศชอบคุยกันนะพวกนี้ก็มาจากนกกระจอกหรือตายไปแล้วจะไปเกิดเปน็นนกกระจอกอีกเนี่ยในคนที่ฟังเทศก็ ชอบมือไม้ไม่อยู่สุกหยิบโน่นหยิบนี่พวกนี้มาจากไส้เดือนแล้วก็ตาจะเป็นไส้เดือนอีกนะส่วนในคนที่ฟังเทศแล้วก็แงนบูทางโน้นทีทางนี้ทีเล้ยวหน้าเล้ยวหลังพวกนี้ก็จะเป็นพวกนักโหราศาสตร์เป็นหมอดูนักดูดวงดูดาวฮดูเลขดูเลิกดูยามอะไรเงี้ยนี่พวกนี้แล้วก็ส่วนคนที่ฟังเทศแล้วก็ไม่ค่อยอยู่สุคลุกไปลุกมาพวกนี้ก็เหมือนกับพวกลิงพวกข้างนะ ส่วนคนได้ตั้งใจฟังเทศนะปะนมือดีหรือไม่ปนมือก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพนะโดยมีโยนิสโสมนัสการก็คือว่าด้วยความเคารพโดยอุบายที่ชอบนั่นเองอย่างนี้แหละก็จะเป็นคนดีนะมาจากตระกูลที่ดีแล้วก็จะไปเกิดในตระกูลที่ดีอาจาจะไปเป็นลูกของเศรษฐีขณะ บ, บุรีหรือพระราชามากษัตริย์อ่านะขึ้นไปสวราารค์ก็เป็นเทพประบุเทพตีนา่าจนถึงที่สุดก็อาจจะเป็นพรหมหรือว่าเป็นพระอาหารได้นะฉะนั้นนี่แหละจะบอกว่าการฟัง เทศฟังธรรมนั้นเราต้องตั้งใจฟังฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษแล้วเราก็ตริตรองแยกแยะออกไปนะเพราะว่าเหมือนกับผลไม้นะต้นไม้เมื่อมันออกดอกออกผลแล้วลูกที่มันหล่นมาทําคนต้นมันก็ย่อมจะมีลูกดีบ้างลูกเสียบ้างฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนที่จะไปเก็บผลไม้นั้นเราก็ต้องเลือกเอาลูกที่ดีนะเลือกเอาลูกที่ดี ลูกไม่ดีเรื่องไรเราจะต้องเอามารับประทานนะรับประทานไปแล้วก็เกิดทุกเกิดโทษเกิดภยัยเกิดโรคต่างๆนะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอารดเอาสิ่งที่ดีไปเหมือนกันการฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันเราก็เอาในส่วนที่ดีไปส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาไปนะเราก็ไม่เอาไปฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าการฟังธรรมนั้นเราจะต้องตรีตรองนะไอ้คาว่าตรีตรองก็คือว่าแยกแยะนะ ใช้สติปัญญาพิจารณาออืให้รู้จักว่าเออที่อันนั้นส่วนดีคนทําอย่างไรอทําอย่างนั้นจะดีใช่ไหมเช่นว่าอะไรมันเป็นบ่อกเกิดแห่งความร่ำรวย อ, อ๋อต้องขยันเนี่ยเขาก็บอกว่าการจะทําให้คนเรารวยนั้นไม่ยากนะแต่เรารู้สึกว่ามันยากนะ ม, มันยากนี่ท่านก่แนะนําว่าคนจะรวยนั้นก็ต้องขยันนะต้องประหยัดอืต้องคบเพื่อนที่ดีนะแล้วก็ต้อง เลี้ยงชีวิตไม่ให้มันฟืดเครืองนัะให้มันฟุ้มเฟว่อยนะนี่อย่างนี้แหละจะทําให้ร่ํารวยมีเงินมีทองนะแต่ว่าถ้าไม่ขยันนะไม่ขยันแล้วก็ไม่รู้จักประหยัดคบเพื่อนก็ไม่ดีนะแล้วก็การดำเนินชีวิตก็ฟุ่มเฟว่อยไปอย่างนี้แล้วก็ยากจนทุกข์ายนะยากจนทุกข์ายฉะนั้นก็ข้อสําคัญก็คือว่าเราต้องเว้นจากอบายมกด้วย บางครั้งเราขายันประหยัดคบเพื่อนที่ดีรู้จักดําเนินชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยไม่เฟื่เฟืองแต่ถ้าหากว่าเราไปติดอบายมุกแน่นอนที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวอีกเหมือนกันเพราะว่าอบายมุ ก, ก็ถือว่าเป็นทางแห่งความชิดหายนะทางแห่งความชิดหายหรือว่าอาทางแห่งความเสื่อมนะความหายยนะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าอบายมุกอย่างหนึ่งนะการเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายการเป็นนักเลงนักดูมนะพวกนักสุราหรือว่า ดูดฟิล์มกินกัญชาอะไรพวกเนี้ยถือว่าทางหายานะทางนั้นหรือเป็นนักเลงการพนันอการควบคุณชั่วเป็นนิตรหรือว่าเป็นคนชอบอ uh, นักเต้นนักร้องนักรำรำที่ไหนไปที่นั่นตีที่ไหนไปที่นั่นเตะเทิงที่ไหนไปที่นั่นหรือเป็นพวกเกียดตค้านทําการงานนักอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเกณฑนักอย่างนี้แล้วก็เป็นทางแห่งความหายานะเป็นทางแห่งความเสือ่อมนะไม่ดีหรื อ, ออีกอย่างหนึ่งที่ พรพุทธองคไม่ตัดเลว่าทางเห็นความเสื่อมนั้นมีอีกหกอย่างก็คือเช่นว่าการนอนตื่นสายนี่นี่ก็เสื่อมนะนอนตื่นสายก็เสื่อมอความเป็นคนดุร้ายก็เสื่อมความเป็นคนอขี้เศร้าคือนอนนานก็เสื่อมอีกเหมือนกันนะความเป็นคนเกลียดขร้านก็เสื่อมอีกเหมือนกันาการการคบชู้สู่หญิงสู่ชายก็เสื่อมอีกเหมือนกัน ข้อสุดท้ายก็คือว่าการเดินทางไกลคนเดียวนี่ก็เสื่อมนี่อันนี้พระพุทธองค์ได้ท้าไปเลยว่าถ้าใครทําอย่างนี้ผู้นั้นจะถึงแต่ความเสื่อมเช่นนอนตื่นสายอก็เป็นบอกเกิดแห่งความหายนะอ่าเกียดคร้านทําการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบอกเกิดแห่งความหายนะอะเป็นคนดุร้ายอใจดําอมหิตโตโฮกโรทา ง, ง่ายก็เป็นความเสื่อมอีกเหมือนกันหรือว่า เป็นคนขี้เศราอ่าในขี้เศร้าก็คือนอนนานนอนบางทีวันหนึ่งนี้นอนห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเทเขาเรียกว่าจะนอนกินบ้านกินเมืองอ่าพวกนี้ก็เป็นทางเสื่อมอีกเหมือนกันหรือว่าการไปะคบโชว์สู่หญิงชายซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็เป็นทางเสือ่อมนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเดินทางไกลคนเดียวที่โบราณบอกว่า คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายดูที่ว่าที่เรียกว่าคนเดียวกระเทียมรีบนี่แหละอันนี้โบราณเราว่าไว้เข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจพูดแต่ว่าคนรุ่นหลังไม่เข้าใจนะไม่ทราบไม่ทราบความหมายในคาําภาษิตของคนโบราณอืมในคนโบราณอันนี้ก็เขาเรียกว่ายังเคยยังเคยได้ฟังคนโบราณที่เขาบอกว่ามี สามีคนหนึ่งภรรยาแกเจ็บป่วยแกก็ไปหาพระอาจารย์ว่าเจ็บภรรยาป่วยอย่างนั้นอย่างนี้อจะใช้ยาอะไรนะจะใช้ยาอะไรนะคนพระท่านอาจารย์ก็เลยเขียนมาให้นะในคนโบราณนี่ก็ยังว่าแหละเขียนหนังสือก็ไม่ค่อยสันทัดนะไม่ค่อยสันทัดก็อาจจะเพียนะนะเพ้ยนไปบ้างนะเพี้ยนไปบ้างอเช่นอย่างบอกว่า อน้ำน้ำตาลิงอน้ำตาลิงอน้ำกระไดน้ำตาลิงอน้ำกระไดลิงอว่าน fo ้ำกระไดดิงออา้กให้ไปเอาน้ำกระไดลิงมาทำเป็นกระแสยาน้ำตาลิงอะไรนี่อาตมาก็จะจำจะคาดคลาดเคลื่อนไปอีกแล้วนะว่าบอกว่าน้ำตาลิง น้ำพิงกระไดอ๋อถูกแล้วว่าให้ไปเอาน้ำตาลิงแล้วก็น้ําพิงกระไดเอามาเป็นกระสายยากินแล้วก็ภรรยาจะหายที่นี้ไอ้คนที่ไปเอามานั้นมันไม่เข้าใจาไอ้น้ําตาลิงคือน้ำไหลก็เลยต้องไปจับเอาลิงมาตีนะไปจับเอาลิงมาตีเพื่อจะให้ลิงนั้นน้ําตามันไหลใอ้น้ําตามันก็ไม่ออก ผลที่สุดก็เตะจนลิยงตายเลี้ยงตายไปตัวแล้วก็กยังรักษาภรรยาไม่ได้เอ่เมื่อไม่ได้น้าตาเลิง้งก็ไปเอาน้ำพิงกระไดตัวเองก็ไปยืนพิงกระไดต้องการให้น้ามันออกให้น้ำที่ไหนมันจะมาออกอมันก็ไม่ออกคนที่สดเมียตายนี่จนเลีงตายแล้วก็เมียตายไปคนหนึ่งแล้วตัวเองก็เอไม่ได้ผลจะแล้วอาจารย์นี่ไหนว่าเป็นคนจักเป็นพระอาจารย์ศักดสิิ์ ให้ยาใครรักษาหายยากันนั้นเลยเดี๋ยวกลับไปถามอาจารย์อีกทีาบอกว่าไหนท่านอาจารย์ยาของอาจารย์ที่ให้นี่ไม่ได้ผลเลยนะผมไปทำโดยแล้วจนลิงตายไปตัวหนึ่งแล้วภรรยาผมตายไปอีกคนหนึ่งก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยอาจารย์ก็ถามบอกทํำยังไงก็ผมก็ไปเอาน้ําตาลิงน้ําพิงกระไดน้ําตาลิงผมไปตีแทบตาจนลิงตายน้ําตามันก็ไม่ออกเป็นยืนพิงกระไดไปนั่งพิงกระไดมันก็ ไม่เห็นน้ามันออกนะคนที่สุดเมียก็ไม่ได้ยากินก็ตายอาจารย์ก็หัวเราะก้าขึ้นมาเลยที่พูดไปนั้นที่เขียนไปนั้นไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเขาบอกว่าให้เอาน้ำเอาน้ำตาลึงเอาน้ำตาลึงไอ้พวกไปว่าน้ำตาลิงนี่แล้วก็บอกว่าหรือน้ำพึ่งก็ได้น้ำตาลึงหรือน้ำพึ่งก็ได้ ไอ้พวกไปอ่านน้ำพึ่งก็ได้เป็นน้ำพิงก็ะไดอ่าเป็นน้ำพิงก็ะไดนี่แหละก็เลยเรียกว่ากินก็ะไดทาก็รไดอ่ากินก็ะไดทาก็กรอืมบอกกินก็ได้ทาก็ได้เราไม่บอกกินก็ะไดทาก็ระไดมันก็เลยเพี้ยนไปเลยนี่แหละไอ้โทษของความไม่รู้ไม่เข้าใจก็อาจจะถึงตายได้อีกเหมือนกันฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นภาษิตโบราณที่ยกเอามาประกอบว่าคนโบราณนั้นฉลาด จะทําอะไรนั่นเขาก็จ้องตรรีตรองพิจารณาหรือเป็นภาสิทก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างกลมโบราณนั้นมีความแตกฉานดีแต่ว่าคลมรุ่นหลังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจฉะนั้นก็นี่เป็นข้อที่สามที่บอกว่าตรีตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วด้วยอุบายที่ชอบนะโดยอุบายที่ชอบก็คือที่ถูกที่ควรนั่นเองเมื่อเราตรีตรองอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดมาในข้อที่สี่ก็คือว่าปฏิปปิธรรมะก็คือว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไอ้คำว่าสมควรแก่ธรรมก็คือว่าให้สมควรแก่ธรรมที่ได้พิจารณาได้ตรองเห็นแล้วก็คือว่าปฏิบัติให้เห็นว่าอันไหนเป็นส่วนส่วนดีและไม่ดีนะเรียว่าอันไหนเป็นอันไหนมันสมควรหรือไม่สมควรก็คือปฏิบัติอย่าให้ผิดนะอย่าให้ผิดจากความหมายของ ของทําไปอยากให้ปินความหมายของทํามไปเรียกว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ผิดสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ฐานะของเราแน่นอนที่สุดเราจะได้ชื่อว่าเป็นธรรมธรรมมนุธรร ม, รรมะปฏะิปติก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสำหรับผู้ศึกษาที่อยากจะทราบความให้กว้างไปกว่านี้ก็ลอง ลองไปศึกษาดูหรือว่าอย่างที่อรตมาได้พูดไปนี้ก็ถือว่าก็กว้างพอควรนะกว้างพอควรแล้วก็ไม่ลึกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นเกินไปก็คิดว่าพอจะเอาเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้นะดาเนินชีวิตได้ฉะนั้นธรรมะทั้งสี่ข้อนี้จึงเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันนะจึงเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันเป็นเหตุผลของกันและกันขอให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูยังในข้อแรกที่บอกว่า สัพปริสูปสังเสวะาการครบสัจบุรุษนั้ น, นาการครบสัจจบุรุน์นั้นเป็นเหตุเป็นเหตุทำให้ได้ฟังธรรมทำให้ได้ฟังธรรมของสัจจบรุษน์ข้อที่สองสัตถธรรมสนะนั้นเป็นผลนเป็นผลที่ได้ฟังธรรมผลเป็นผลเนื่องมาจากเหตุ ก็คือคบสัตว์บูรุษนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกลับมาเป็นเหตุอีกอเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็โยนิโสมนสิการก็คือตริตรองธรรมอตริตรองธรรมให้รู้ดีรู้ชั่วโดยอุบายที่ชอบอันนี้ก็กลับมามาเป็นผลอีกแล้วอมาเป็นผลอีกแล้วเมื่อเราได้ตริตรองรู้ว่าอันนี้ดีแล้วก็เอาละเราจะต้องปฏิบัติตามนี้ออันนี้ไม่ดีไม่เอา อันนี้ก็เป็นผลนะอันนี้ก็เป็นผลฉะนั้นนี่แหละที่ว่าเมื่อบุคคลมาปฏิบัติธรรมทั้งสี่ประการนี้เป็นธรรมะสามขีก็คือให้พร้อมกันทั้งสี่คือตั้งแต่ข้อต้นจนครบบริบูรณ์แล้วก็ย่อมจะไม่ตกต่ำไม่เสื่อมสามมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยเหตุนี้ธรรมบทนี้จึงมีนามว่าวุติแปล ว, ว่าความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าปฏิบัติเพียงประการหนึ่งประการเดียวหรือว่าไม่ครบทั้งสี่ข้อก็จะไม่คิดว่าเป็นธรรมสามคัคคีเราก็จะไม่ได้เจริญบริบูรณ์ไม่เจริญเต็มที่นะไม่เจริญเต็มที่ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์เพราะว่าทำทั้งสี่นี้เป็นเหตุเป็นผลเท่ากันข้อที่หนึ่งก็เป็นเป็นเหตุของข้อที่สองข้อที่สองก็เป็นผลนะนะนะข้อที่สองเป็นผลของข้อที่หนึ่ง แล้วข้อที่สองก็ไปเป็นเหตุของข้อที่สามข้อที่สามเป็นผลของข้อที่สองข้อที่สองก็ข้อที่สามก็ไปเป็นเหตุของข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือเป็นผลของข้อที่สามนี่มันต่อเนื่องกันไปอฉะนั้นก็ขอสรุปสั้นๆออีกนิดหน่อยว่าการที่เราจะปฏิบัติทำทั้งสี่อย่างให้เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันให้เกี่ยวเนื่องกันไปนั้นก็คือว่าให้เรา ทำความสําคัญว่าการคบสัตวบุรุษนั้นมีคุณมีอนิสงส์มากเพราะท่านจะคอยแนะนําสั่งสอนให้เราได้สติให้เกิดสติได้ปัญญาระลึกถึงสิ่งที่ควรประพฤติและไม่ควรประพฤติเมื่อเราได้มีสติปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เมื่อได้ฟังธรรมคาสั่งสอนของท่านเช่นนี้แล้วเราก็ตั้งใจฟังธรรมโดยความเคารพ ก, ก็คือว่าในขณะที่ฟังธรรมอยู่ไม่สรงใจให้ฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆ ไม่สนใจให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆโดยมากคนเราบางครั้งฟังแล้วก็ฟุ้งซ่านมากะฟังแล้วฟุ้งซ่านมากอันนี้ก็จะทําให้เรานั้นเกิดทุกข์เกิดโทษมากคอยประคองใจให้ดําเนินไปตามกระแสธรรมนั้นนะให้ประคองใจไปตามกระแสธรรมนั้ น, นแล้วก็จดจําเอาไว้อันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายอเมื่อพูดถึงอย่างนีนะ้ก็มานึกถึงเรื่องของอ่าพราหมณ์สองคนนะ ครามสองคนเรียกว่าเป็นคนยากจนมากนะเป็นคนยากจนมากมีผ้านุ่งคนละผืนนะครามสองคนนี่มีผ้านุ่งคนละผื น, นะ น, ผ น, น, ผนแต่มีผ้าห่มผืนเดียวนะมีผ้าห่มผืนเดียวคือพูดง่ายๆก็คือมีผ้าสบายเฉียงอยู่ผืนเดียวเวลาจะไปฟังพระอะเทศที่วัด ก็ต้องเปลี่ยนกันไปถ้าวันนี้สามีไปภรรยาต้องอยู่เฝ้าบ้านเพราะจะได้ผ้าผืนนั้นน่ะอ่าพันร่างกายไปภรรยาอยู่บ้านก็ไม่ต้องพันก็อยู่ได้พอสามีกลับมาแล้วนะภรรยาก็ไปบ้างสามีอยู่อ่ถัดเปลี่ยนกันอย่างนี้เพราะมีผ้าผมผืนเดียวอถ้าจะปล่อยไปแต่ตัวอย่างนั้นมันก็น่าละอายแกลดใจจับเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ ให้วันหนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นสามีเขาเรียกว่าจีวาจูเลกสาดกนะพราหมณ์จูเลกสาดกนะพราหมณ์นะมผู้สามีก็ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าปรากฏว่าฟังฟังธรรมมาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเกิดศรัทธานะเกิดศรัทธาก็ศรัทธาก็อยากจะติดกันเทศแม้เงินทองก็ไม่มีเพราะเป็นคนยากจนก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็นึกว่าเอเราก็มีผ้าสบายเฉียงอยู่ผืนหนึ่ง เอาผ้าผืนนี้แล้วมังติดกันเทศแต่มา น, นึกดู ว, ว่าถ้าเราติดกานเทสแล้วไม่ได้ภรรยาของเราก็จะไม่มีผ้าห่มมาฟังเทศนะไม่มีผ้าห่มมาฟังเทศเอา้าวลอยเหตุการณ์อันนี้ไปอีกแล้วนะก็ปรากฏว่าเลยเรียกว่าเกิดความตันหนีนะพอไปถึงยามที่สองเกิดความเลื่อมใสอีกแล้ว แม้อยากจะติดการเทศทราบถึงจงใจเหลือเกินเนยอยากจะติดกันเทศอ้าวพอจะติดกันเทศก็มานึืกถึงว่าเอ๊ะถ้าเราเอาผ้านี้ไปติดกันเทศถาวายพระพุทธเจ้าเสแล้วภรรยาของเราก็คงจะว่าเร า, าว่าจะทําให้ตัวเขานั้นเดือดร้อนว่าเอาเปรียบเวลาอาสามีมาฟังหนั้นเอาผ้ามาฟังอเอาห่มมาได้เอาคลุมมาได้แต่ว่ากลับเห็นแก่ตัวเอามาถวายพระพุทธเจ้าเสียอย่างนี้ก็เท่ากับว่า ไม่เปิดโอกาสให้ภรรยาไปฟังบ้างนะเพราะว่าไม่มีผ้าจะห่มไปฟังทเทศอา้าวยากันนั้นด้วยไม่ถวายดีกว่าอา้าวก็นั่งฟังฟังต่อไปอีกพอถึงปัดฉินมายามนะยามที่สามยามสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเทศไปท่านรู้ว่าระจิตของจูเล่กษาดกแล้วนะท่านรู้เลยว่าตอบในขณะ น, นี้จูเลกกษาดกใจกําลังเลื่อมใสยอย่างมากแล้วมีศรัทธาย่างมากแล้วจะต้องสละกผ้าผืนนี้แน่ พอถึงยามสามแค่นั้นเหละท่านรู้ฟังกรามโจเลกสารดกเปล่งอุทานขึ้นมาเลยว่าชิตังเมชิตังเมฮ่าว่ากันนะชิตังเมชิตังเมอ่าซึ่งแปลเป็นไทยก็ว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเนีว่ากั้นปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินอพระเจ้าประเสริฐที่โกศ น, นมานั่งฟังเทศอยู่ด้วยเอ๊ะนี่มันเกิดข่าศึกเกิดสงครามขึ้นยังไง ใครจะมายึดบ้านเย็ดบวงไงว่าเราชนะแล้วชนะแล้วตกใจลุกทุดพัดกึ่งบางทีบอกพวกนายทหารคนสนิทว่าเอ๊ะไหนลงไปถามไอ้บุรุษคนนั้นสิมันพูดว่าไงชี้ตังเมชี้ตังเมว่าชนะอะไรอาพอมาถามพรามจูเลกษะดกบอกล่าวว่าเราเนี่ยไม่ชนะตัวเองมาตั้งสองครั้งแล้วทีแรกตั้งใจว่าจะถวายผ้าด้วยความซาบซึ้งในรสประทมของพระพุทธเจ้าแต่ก็ถวายไม่ได้เพราะว่า เป็นห่วงภรรยาซึ่งอยู่บ้านจะไม่มีผ้าห่มมาฟังเทศฟังธรรมพอครั้งที่สองเกิดความเลื่อมใสก็ถาวายไม่ได้อีกเพราะกลัวภรรยาจะว่าอีกนะจะว่าพอถึงครั้งที่สามตัดสินใจนะเอาทําเป็นใหญ่เอาละจะว่าก็ว่าเถอะนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกิดความซาบซึ้งมากนะด้วยเหตุนี้แหละเราจึงชนะตัวเองนะไม่ต็หนี่แล้วไม่หวงแหนแล้วอ่านะ ปรากฏว่าพระเจ้าปิเด็นก็ตรัสสาธุเลยใช่ไนหะสาธุเลยดีอกดีใจมากปรากฏว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยศรัทธาก็เลยถวายผ้าอันมีค่านะมอบผ้าอันมีค่านะเป็นผ้ากำพลผ้าสารดกอย่างดีมีค่าเป็นแสงอ่าเรียกว่าเห็นด้วยเกิดศรัทธาในพระานคนนี้ก็เลยบอกเอ้างั้นเราถวายผ้านี้ให้สองผืนปรากฏว่าพระพรามจูเลกาสานดก ไม่เอาเก็บไว้ใช้ส่วนตัวถึงแม้จะมีผ้าราคามาถึงแม้ว่าผ้านั้นจะราคามากก็เลยอธิบายพระพุทธเจ้าอีก้าวพอถวายไปพระเจ้าไปิณก็ถวายมาอีกสี่เอาแกก็ถวายอีกเอาถวายสี่ก็พระปิณก็ถวายมาอีกเป็นแปดอ้าแกก็ถวายอีกจนกระทั่งเรียกว่าจากแปดก็เป็นสิบหกจากสิบหกก็เป็นสามสิบสองนี่เรียกว่าแกก็ถวายพระพุทธเจ้าเอาไว้เพียงแค่สองเหรแค่นั้นเองนะสองเหร ปรากฏว่าด้วยอนุภาพนะอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าก็ทําให้ผ้าที่จูเลกสารดกได้ถวายพระเจ้าไป น, นั้นก็ได้กลายเป็นบัลลังได้กลายเป็นผ้าแพรเป็นเรียกว่าเป็นฉัดนะเป็นม่านอถึงรอบพระพุทธองค์สล ะ, ะสวยงดงามมากใครเห็นแล้วก็สาธุการถือว่าเป็นบารมีธรรม อ, อของอจูเลกสานดกที่ได้มีจิตศรัทธาได้มีกุศล มากถึงขนาดนี้ฉะนั้นนี่แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงบอกว่าคนเราเน่ะถ้าชนะตัวเองได้แล้วก็ประเสริฐนะประเสริฐยังไงยังไงก็ลองเป่งที่ตังเมที่ตังเมกันบ้างนะสําคัญเรามันควรจะไปตังเมตังเมทั้งหมดเะสินะมันเหนียวไอ้ตังเมนี่มันเหนียวแกะไม่ออกนะสลัดไม่หลุดออย่าไปบอกตังเมนะบอกที่ตังเมที่ตังเมออย่างนี้แล้วสบายใจนี่ก็ยกมาเป็นตัวอย่างว่า การฟังธรรมที่ได้ผลนะที่ได้ประโยชน์มากนะที่ได้ประโยชน์มากฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นได้ต ร, ตรองใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้จักดีจักชั่วบาวปุลคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์นะแล้วก็ในขณะที่ฟังธรรมก็ไม่ทําจิตใจนั้นให้ฟุ้งซ่านนะเกิดความรําคาญใจในอารมณ์ต่างๆคอยประคับประคองใจให้ดําเนินไปสู่กระแสความที่เราได้ฟังนั้นครั้นฟังแล้วก็จดจําเอาไว้ โ ด, นะ โ, ดโดยแม่นยำนะโดยแม่นยำคำว่าจำไว้โดยแม่นยานี้นอกจากจำขึ้นใจแล้วเราก็ต้องนึกทบทวนอยู่ในใจบ่อยๆท่องไว้ในใจบ่อยๆนะที่ ม, มีพุทธภาสิทธ์บทหนึ่งว่าอสัจชายามรามันตานะว่ามน์มีการไม่สาธยายเป็นมนิษนนะ์ก็หมายถึงว่าการเรียนรู้ศึกษาตำรับตำราต่างๆนั้นเราจะต้อง ขยันอ่านขยันดูขยันท่องท่องเป็นประจำนะอ่านบ่อยๆ อ, อันนี้ทําให้เราจําได้จําแม่นแต่ถ้าเราไม่อ่านบ่อ ย, อยแน่นอนที่สุดเดี๋ยวมันก็ลืมนะมันก็ลืมฉะนั้นอาตมาจึงได้สอนพวกนักเรียนต่างๆแม้กระทั่งญาติโยมที่วัดมหาธาตุก็จะสอนให้ว่ากันบอกว่าจําไว้ดีกว่าจดถ้าจําไม่หมดจดดีกว่าจํานะท่านผู้ฟังก็ลองเอาไปใช้ว่าจําไว้ดีกว่าจด เราฟังอะไรไว้เนี่ยประการแรกก็จําไว้ดีกว่าจดแต่ถ้าจําไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำํำนี่อย่างนี้ได้ผลแต่พวกเราทั้งจําทั้งจดไม่เอาทั้งหมดจึงไม่จดไม่จํามันก็เลยไม่ได้อะไรเลยเนื้อลิมหมดนได้หน้าเลิมหลังาบางทีแค่พักเดียวแลวหายแล้วลบทไปก็หายแล้วข้ามวันข้ามเคืนหน่อยเดียวก็หายแล้วฉะนั้นอันนี้แหละเราจะต้องจําต้องจดนต้องจําด้วยเมื่อเราจําไว้ อย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็ลองไตรตรองดูว่าทำที่ควรแก่ปฏิบัตินั้นอย่างไรจรึงจะได้ผลแก่ตนเราจะปฏิบัติอะไรจงจะได้ผลแก่เราและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อเราทราบชัดอย่างนี้แล้วก็เลือกเฟ้นผ่อนผันปฏิบัติให้เหมาะสมกับการและเทสะภูมิฐานของตนและปฏิบัติให้ถูกส่วนสมแก่ธรรมโดยที่ว่าไม่ปฏิบัติผิดาตามความมุ่งหมายของธรรม แต่นั้นก็จะประสบผลสำเร็จจากการปฏิบัติอย่างภัยบณ์ไม่บกพร่องก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแก่ตนเองเอาละเท่าเทียมมาได้บรรยายมาเกี่ยวกับเรื่องอวุทธิธรรมสี่ประการก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสวัสดีขอเจริญพร